โมรณสติแต่ละคนจะมีเวลาฝึกรับมือกับการมีชีวิตหลายสิบปีทว่ามีเวลาเตรียมรับมือกับการสิ้นชีวิตแค่นาทีเดียวสิ่งที่คนเราสมควรทำระหว่างมีชีวิตคือใช้ทุกนาทีรับผิดชอบชีวิตให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่คนเราสมควรทำขณะใกล้สิ้นชีวิตคือใช้นาทีสุดท้าย เลิกรับผิดชอบชีวิตให้เด็ดขาดที่สุดโลกวันนี้มองไปทางไหนมีแต่ภัยพิบัติอันตรายจากการเดินทางผิดร้ายที่มากับอาหารและอากาศหนจะสงครามกับความใจร้ายที่มนุษย์มีต่อมนุษย์มากขึ้นทุกทีผลที่สืบเนื่องตามกันมาคือมองไปทางไหนมีแต่คนระแวงภัยมีแต่คนผวาสิ่งรอบตัว และมีแต่คนกลัวตายแต่หายากนักที่จะมองไปเห็นคนเตรียมตัวตายสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ทึกทักว่าคนและสัตว์ทั้งหลายน่าจะเกิดหนเดียวตายหนเดียวมักเห็นการนึกถึงความตายเหมือนการนึกถึงอัปมงคลหรือถ้าใครพูดขึ้นมาแบบให้สติก็ผ่านจะเห็นว่าเขาพูดแช่ง พุทธศาสนาสอนให้เตรียมตัวเตรียมใจตายอยู่เสมอเพราะชีวิตบนโลกแสนสั้นตายเมื่อใดไม่อาจพยากรณ์และการตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่ผู้เตรียมตัวเตรียมใจตายได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและพร้อมจะเดินทางไปดีมากกว่าใครๆขอเพียงเจริญมรณสติได้จริงเพียงชาติเดียวก็จะกลายเป็นนิสัยทางจิต เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชาติต่อๆไปมีความไม่ประมาทในชีวิตได้พบคำสอนให้พร้อมต้อนรับความตายไปเรื่อยๆด้วยการเตรียมตัวเตรียม yeah, ใจตายหรือการระลึกถึงความตายสัซกซ้อมซก่อนถึงเวลาจริงคิดว่าความตายต้องมาถึงเราเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่ามรณนะสติมรณนะสติไม่ได้เจริ ญ, ญยากอย่างที่คิด และไม่ได้น่ากลัวหรือน่าหดหูอย่างที่หลายคนเข้าใจเพียงแค่คิดถามตัวเองบ่อยๆว่าถ้าจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราจะเอาอะไรไว้ก sal ับจิตระหว่างต้นเหตุของความสบายใจกับต้นเหตุของความยุ่งยากใจเมื่อเชื่อว่าจะมีชีวิตไปเรื่อยๆคุณจะทุ่มเทความคิดให้กับการคว้าสิ่งที่ต้องการจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาไว้ในมือ และเมื่อกลัดกลุ้มเกี่ยวกับเรื่องใดก็ยอมกลุ่มไม่จำกัดจนกว่าเรื่องหน้ากลุ่มจะคลี่คลายกลับจากร้ายใหกลายเป็นดีเสียได้ต่อเมื่อรู้สึกว่าชีวิตกำลังจะสิ้นสุดแม้ด้วยอาการคิดๆสมมุติขึ้นมาในใจคุณจะเห็นทุกสิ่งที่ได้มาไว้ในมือด้วยความเป็นของหลุดลอยหรือเป็นสมบัติที่ต้องทอดทิ้งไวเอาติดมือไปไม่ได้ แม้เรื่องที่ดูน่ากลัดกลุ้มที่สุดในโลกก็ไม่คุ้มค่าพอที่จะเสียจิตให้ในเมื่ อ, อย่างใกล้ตายนั้นสิ่งที่คุ้มพอจะเอาใจใส่เห็นจะไม่มีสิ่งใดเกินจิตของตัวเองอีกแล้วถ้าจิตดีมีความสว่างมีความปลอดโปรง่งก็ย่อมเป็นฐานที่ตั้งของความคิดดีๆตลอดจนขอนิมิดดีๆให้รู้สึกอบอุ่นใจต่อไม่เหลือสมบัติอะไรติดมือ พอเพียงมีจิตดีๆเหลืออยู่ดวงเดียวคุณจะรู้สึกเหมือนมีครบแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตลอดชีวิตไม่มีใครเห็นว่าจิตมีค่าขนาดไหนจึงยอมให้จิตถูกปนเปื้อนสิ่งสกป ร, รกรกไปด้วยสิ่งรุงรังภายนอกการจะไม่เห็นคุณค่าและเร่งทําให้จิตดีในนาทีสุดท้ายคงเป็นเรื่องสายเกินไป พระพุทธศาสนาสอนให้เจริญมรณสติก็เพราะอย่างนี้ยิ่งสมมุติว่าตายบ่อยขึ้นเท่าไรใจก็ยิ่งได้ซักซ้อมมากขึ้นเท่านั้นเวลาใดที่ควรแก่การเจริญมรณสติช่วงแรกๆควรเป็นเวลาที่คุณกําลังกลุ้มใจหรือกําลังหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้นั่นเอง คุณจะได้เห็นค่าและเข้าใจจุดประสงค์ดีๆของมรณสติอย่างแท้จริงความกลัดกลุ้มเป็นเหมือนเมฆหมอกพิษที่ห่อหุ้มจิตใจบางทีรู้สึกราวกับมีมือมานขยำจิตของคุณให้ยู่ยี่มนลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณคิดว่านาทีหน้ากำลังจะต้องตายจิตจะยังคงอยากยึดเอาความกลัดกลุ้มไว้กับตัวเองอีกไหม ไม่เลยจคารู้สึกว่ากำลังจะตายใจคุณจะเลิกคิดเลิกยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องน่ากลัดกลุ้มบรรดามีไปทั้งหมดจิตกลับใสจิตกลับเบาได้อย่างน่าอัศจรรย์อาการทางใจที่โปร่งเบาโล่งหัวกลับมาสบายเนื้อสบายตัวหายเครียดหายเกรง็งอันเกิดจากการนึกถึงความตายถือเป็นการได้ข้อสรุปชีวิตชนิดเดียวกับที่เอลเบิร์ตฮับบาร์ดเคยว่าเอาไว้คือ อย่าซีเรียสกับชีวิตจนเกินไปเพราะยังไงคุณก็เอาชีวิตไม่รอดอยู่ดีการมันระลึกถึงความจริงสุดท้ายของชีวิตที่ทุกคนต้องพบกับจุดจบหาใช่การสร้างมุมมองให้เกิดความรู้สึกเฉยชาไม่ตรงข้ามเมื่อเผชิญหน้ากับมรสุมชีวิตคุณจะคิดเท่าที่ควรจะคิดไม่คิดมากเกินจำเป็น นั่นเพราะเมื่อจิตปลอดโปร่งอย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่จะเห็นทางออกของปัญหาได้ง่ายๆไม่ใช่มัวแต่ยอมให้ม่านหมอกของความกลัดกลุ้มมากั้นขวางเอาไว้แต่สำหรับคนอีกส่วนหนึ่งผลข้างเคียงของการนึกถึงความตายอาจมาในรูปของการคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายไปจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพยายามผ่าทางตันแล้วผ่าไม่ออก ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้พิจารณาว่าจิตเศร้าหมองอยู่หรือเปล่าเมื่อยอมรับได้ว่ากําลังเศร้าหมองก็ให้ระลึกถึงพระวจนะสําคัญของพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งในสามโลกคือเมื่อจิตเศร้าหมองทุกคติย่อมเป็นที่คาดหมายได้ระหว่างมีชีวิตเมื่อคนเราเศร้าโศกย่อมคิด ย่อมระลึกถึงแต่เรื่องไม่ดีเป็นธรรมดาทั้งเรื่องไม่ดีตรงหน้าและเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาแล้วเรากับชีวิตไม่มีเรื่องดีๆน่าชื่นใจให้นึกถึงเอาเลยยามใกล้ตายก็เช่นกันหากจิตจมอยู่กับความเศร้าหมองอยู่ย่อมนึกออกแต่บาป ก, กรรมหรือเรื่องน่าโศกสันในชว่วชีวิตที่ผ่านมาเมื่อจิตยึดเรื่องน่าเศร้าหมองใดไว้เป็นหลักเรื่องนั้น ย่อมนำไปสู่ภพภูมิอันเต็มไปด้วยความเศร้าหมองสอดคล้องกันตอนเมื่อมีสติระลึกถึงความตายเพื่อความไม่ประมาทอยู่ถามตัวเองว่าตายไปจะเอาอะไรระหว่างจิตที่เบิกบานกับจิตที่เศร้าหมองถามตัวเองบ่อยๆจนกระทั่งมีสติรู้สึกเข้ามาที่จิตในบัดนี้จริงๆ จ, จิตก็จะค่อยฉลาดเลือก ตลอดจนมีกำลังใจขนาดสามารถให้คำตอบกับตัวเองถูกว่าจิตควรแช่มชื่นควรเบิกบานเพื่อจะได้เปิดทางให้กรรมดีที่เคยทำมาเป็นตัวนำไปสู่ภพภูมิใหม่มรณสติดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแบบอาศัยความคิดเพื่อเอาไว้ตั้งหลักตั้งตัวได้อย่างง่ายๆมีผลจริงสะสมกำลังได้จริงพาไปสู่สุคติภูมิได้จริง แต่ถ้าหากเอาตามหลักปฏิบัติสูงสุดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คุณมีสิทธิอาศัยมรณสติเป็นยานพาไปถึงพระนิพพานพ้นภพพ้นภูมิได้เลยหลักการมีอยู่ว่าคุณต้องปึกเห็นกายที่กำลังปรากฏในท่านั่งคอตั้งหลังตรงได้นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแตกดับเนื้อหนังที่จับต้องได้อวัยวะที่ใช้การได้ ล้วนนับถอยหลังสู่การเน่าเปื่อยผุพังทั้งสิ้นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายที่กําลังหายใจได้อยู่นี้แสดงธรรมชาติเน่าเปื่อยผุพังให้ดูคุณจะรู้สึกว่ากายเป็นของว่างของศูนย์เปล่าและความว่างกลวงความศูญเปล่านั้นย่อมไม่มีความเป็นชายไม่มีความเป็นหญิงไม่มีแม้แต่ความเป็นมนุษย์ชื่ออะไร หรือกระทั่งเคยเป็นใครมาก่อนการเห็นความจริงดังกล่าวไม่ใช่แค่ฝึกคิดไม่ใช่แค่ฝึกจินตนาการเอาแต่เป็นการที่กายแสดงนิมิตทางธรรมชาติของตนเองให้คุณรู้แบบประจักษ์ราวกับถอดวิญญาณของคุณเข้าไปสิงสู่หรือถอดวิญญาณขึ้นไปมองสภาพร่างศุที่เน่าเปื่อยผุพังอย่างรวดเร็วอยู่ การเจริญมรณสติแบบรู้แจ้งเห็นจริงนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเรียกว่านาวสีวติกาเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติเรียกเต็มๆว่าเจริญสติประทานสี่เพื่อจะฝึกนาวสีวติกาให้ได้ผลจริงคุณจำเป็นต้องบ่มเพาะสติให้เข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างมั่นคงแข็งแรง โดยเริ่มฝึกรู้ส่วนที่ง่ายที่สุดของร่างกายก่อนได้แก่ลมหายใจการเห็นลมหายใจหมายถึงการรู้ว่าเมื่อใดถึงเวลาที่ลมหายใจควรเข้าเมื่อใดถึงเวลาที่ลมหายใจควรออกเมื่อใดถึงเวลาที่ลมหายใจควรสงบระงับชั่วครู่พอรู้ลมหายใจโดยความเป็นธรรมชาติพัดไหวเดี๋ยวมีอาการพัดเข้าเดี๋ยวมีอาการพัดออก ก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดอื่นเช่นร่างกายไม่ได้ต้องการลมยาวอย่างเดียวบางทีก็ต้องการแค่ลมสั้นๆเท่านั้นเมื่อจิตไม่อยู่ในสภาพผู้คิดบังคับผู้อยากสงบผู้อยากลากลมหายใจเข้าผู้อยากระบายลมหายใจออกตามอาเภอใจในที่สุดจิตก็เป็นผู้รู้ผู้เห็นตามจริงว่าลมหายใจไม่เที่ยง เมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นที่รู้สึกว่าเป็นของของจิตจิตออกมาอยู่ต่างหากในฐานะผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นรับเทียงได้จิตผู้รู้ผู้เห็นลมหายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตนจิตย่อมสามารถรู้เห็นสิ่งอื่นเช่นอิริยาบทนั่งยืนเดินนอนอันเป็นฐานที่ตั้งของการหายใจในแต่ละครั้งจากนั้น จิตจึงค่อยๆเริ่มเห็นรายละเอียดเข้ามาว่าอิริยาบถ ท, ทั้งหมดหล้วนเป็นการแสดงออกทางกายออกท่าออกทางต่างๆ ต, ตามที่จิตบัญชาให้เป็นไปกายนี้เหมือนหุ่นกระบอกที่ทำอะไรเองไม่เป็นต้องคอยให้จิตสั่งเสมอในความเป็นหุ่นกระบอกกายจะค่อยๆปรากฏ ร, ราวกับเป็นโพรงว่าง เหมือนต้นไม้หรือท่อนฟืนที่ถูกรู้ถูกดูอยู่และในความเป็นโพรงว่างนั่นเองหากจิตตั้งมั่นและสว่างพอก็จะเห็นทะลุทะลวงเข้าไปถึงรายละเอียดอันยกตั้งด้วยกระดูกสันหลังมีกระดูกแขนกระดูกขายื่นออกเป็นระยางและมีกระโหลกศีรษะโดดเด่นเป็นประธานสูงสุดในโครงกระดูกนี้เองแออัดด้วยก้อนเลือดก้อนเนื้อ ถ้าจิตสว่างพอก็เห็นได้เหมือนใช้กล้องเอ็กซเรส่องดูรู้ว่าตับไตไส้พุงปอดหัวใจกับอวัยวะภายในอื่นๆมีรู ป, ปรพันธ์สันฐานอย่างไรไม่ต่างจากเห็นด้วยตาเปล่าขั้นนี้เรียกว่าเห็นกายโดยความเป็นธาตุถัดจากนั้นซึ่งอาจอาศัยเวลาไม่กี่วินาทีสำหรับบางคน หรือต้องกินเวลานับเดือนนับปีสำหรับบางคนขอเพียงทำไว้ในใจว่าอาวัยวะใหญ่น้อยที่มารวมประชุมกันเป็นร่างมนุษย์นี้มีอันต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาก็จะเกิดนิมิตแสดงความเน่าเปื่อยผุพังของกายอย่างชัดเจนในสมาธิจิตของบางคนอาจรู้สึกเหมือนอาศัยอุริยาบทนั่งเป็นปกติเห็นน้าเลือดน้าเหลืองทะลักออกมา แล้วร่างกายมีอาการเปลื่อยยุ่ยทีละน้อยเผยความจริงภายในทีละส่วนกระทั่งทุกส่วนเผยธาตุแท้ที่ต้องเน่าเปื่อยไปจนหมดในสมาธิจิตของบางคนอาจรู้สึกเหมือนจิตลอยขึ้นเด่นดวงกลางอากาศเหนือศพท่านอนของตนแล้วศพแสดงสภาพเปื่อยยุ่ยสลายไม่เหลือแม้แต่กระดูกแน่นอนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความปรุงแต่งทางจิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ความปรุงแต่งนั้นแสดงให้เห็นความจริงแท้แน่นอนอันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นกับกายเมื่อถอนจากสมาธิจิตจึงรู้สึกถึงร่างกายเดิมต่างไปพอรู้สึกว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถนั้นก็คลายเป็นของว่างเปล่าเป็นหุ่นกระบอกไร้เจ้าของ กำลังจะต้องมีอันเป็นไปแต่กระจายหาความรวมตัวอยู่มิได้นับแต่ น, นั้นมรณสติย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกอิริยาบถแต่ละอิริยาบถแสดงมรณาการได้ทั้งสิน้นเรียกว่าเป็นผู้มีมรณสติอยู่ติดตัวโดยไม่ต้องอาศัยความคิดแยบคายใดๆมาช่วยก่อความรู้สึกถึงความตายขึ้นมาอีก ผู้มีมรณสติอยู่ติดตัวนั้นจะเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีอยู่ในวัยครองรักก็ดีอยู่ในวัยครองเรือนก็ดีอยู่ในวัยใกล้เปลี่ยนภพชาติก็ดีย่อมไม่ติดใจอยู่ในความมีชีวิตของตนและไม่ห่วงใยในชีวิตข้างหลังของญาติมิตรลูกหลานหรือผู้เป็นที่รักใดเพราะใจเห็นชัดเจล้วว่าชีวิตโดยตัวเองคือกระบวนการอานาไปสู่การดับชีวิต ถ้ามีใครฆ่าก็ตายหรือแม้ไม่ต้องมีใครฆ่าก็ต้องตายจากหายไปจากโลกนี้กันหมดมาเหตุผู้อา่านสำหรับท่านที่สนใจการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบหลายวิธีแนะนำให้ศึกษาได้จากคำพีวิสุทธิมรักษ์นะครับ